กาบนมัสการพระคุณเจ้าสามเณมรคุณเมชีกัลยาณมิตรทุกท่านก็นั่งสบายๆเนาะทุกคืนวันเสาร์ก็จะมีการพูดจากันนิดนึงบังเอิญเมื่อกี้นั่งรถมาแก้วก็บอกมีคำถามญาติธรรมถามมีสามข้อก่อนจะพูดเรื่องคำถามนั้นก็ ขอเกินเรื่องเมื่อวานนี้นะศูนย์ก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งก็คือเราได้บวชไม่ชีใหม่นะไม่ชียุวิซึ่งเจ้าตัวเองมาปฏิบัติเที่ยวนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาบวชแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นอันิจังมันไม่เที่ยงนะมันก็ เป็นบทที่เตือนสติเราว่าชีวิตเราอย่าประมาทอะไรเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งเราไม่เคยวางแผนไม่เคยคิดมันเกิดขึ้นได้ตลอดเราต้องไม่ประมาทมีเวลาหนึ่งวันก็เตรียมความพร้อมหนึ่งวันพร้อมอะไรพร้อมอันดับแรกก็คือพร้อมที่จะตาย ซึ่งทุกเช้าเราจเจริญมรณาสติตลอดแต่ท่านในทางโลกบอกไม่เป็นมงคลพูดแต่เรื่องตายฉันไม่ชอบเราชอบก็ตายไม่ชอบก็ตายถ้าเราพิจารณาเรื่องมรณาสติบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราเป็นคนไม่ประมาทนะถ้าเราไม่กลัวตายแล้วเนี่ยเราจะไม่กลัวอะไรเลยแลวความตายเป็น สัจธรรมเป็นความจริงซึ่งเราชอบก็ช่างไม่ชอบก็ช่างมันเกิดขึ้นแน่โดยเฉพาะใครตายใครตายคนจีนเขาบอกว่าหย่นสื่อลิงผู้สื่อคือคนเนี่ยต้องตายมันมีอายุไขของมันเพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ลิงผู้สื่อคือ จิตไม่มีวันตายเนี่ยคนตายจิตไม่ตายธรรมชาติเขาไม่ปล่อยให้เราตายง่ายๆเรื่องจิตวิญญาณนะเขาบอกอย่าค้ากำไรเกินควรถ้าตายแล้วเผาก็จบมันคงดีนะไม่ต้องไปจ่ายหนี้กรรมอีกหลายชาติมันไม่ง่ายขนาดนั้นสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมถ้าไม่เกิดมา ลูกฝากแฝดดีเเหมือนกันคนนี้เกิดมาขี้แยคนนี้ไม่ขี้แย่คนนึงอ่อนแอคนหนึ่งแข็งแรงอยู่ในท้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันคุณแม่เดียวกันคุณพ่อเดียวกัน d n a อ็ DNA เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันอะไรเป็นตัวกําหนดให้เป็นอย่างนั้นวิทยาศาสตร์ก็ตอบไม่ได้แต่ผู้เจ้าไปเห็นมาแล้วกรรมเป็นตัวกําหนด วิชาที่สองที่พระเจ้าตรัสรู้ก็คือจตุปาตยานยานรู้ว่าด้วยการเกิดเพราะกรรมตายเพราะกรรมนี่คือความจริงอย่างยิ่งแต่พิสูจน์ได้ด้วยตัวท่านเองใช้เทคโนโลยีอะไรก็ช่วยไม่ได้มันเป็นปัจจตังเวทีตัพวินยูหีเป็นสิ่งที่รู้ก็รู้ได้เฉพาะตัวนะกรรมเป็นตัวกำหนด กำหนดให้เราไปอยู่ในร่างที่ดีขึ้นหรือเลวลงนะเหมือนเหมือนชาตินี่ยส่วนร่างกายนี้เราได้ร่างกายที่สมบูรณ์กี่เปอร์เซนต์เปรียบเส ม, มือนรถโตโยต้าแต่ถ้าเราเผลอมาสร้างกรรมชั่วมากกว่าบวกลบคูณหารแล้วขาดทุนก็ไปเกิดอยู่ในร่างที่เปรียบเส ม, มือนตุกๆคือโลคลาสลงมาไม่ใช่พระเจ้าที่ไหนมากำหนดชีวิตเรา กรรมที่เราสร้างไว้เป็นตัวกาหนดโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเราดึงออกมาจากเครื่องนี้เราไปใส่เครื่องอื่นโปรแกรมมันไม่หายไปไหนคนที่สร้างความคอมพิวเตอร์สร้างอินเทอร์เน็ตหรือสร้างพวกนี้นะพากกูว่าเขาเก่งมากเขาคงเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณพอสมควรเนี่ยตอนนี้มีโทรศัพท์ไร้สายอะไรกขช่างอะไรพวกนี้นะถ้าคนเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณแล้วเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดา นะก็เมื่อวานนี้พ่อคูเกิดว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องอสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับศูนย์คือเม่ชียุยก็ตัดสินใจโดยฉับพลันนะภาวนาที่จะออกบวชพระ ก, กูก็ใช้เวลานิดหนึ่งพูดถึงอันนิสงของการบวชเพราะเมื่อวานนี้ไม่มีเวลามากมายนะบางคนไม่เข้าใจเราเป็นผู้คองเรือน บวชทำไมโดยเฉพาะสตรีโดยเฉพาะสตรีซึ่งมีเชื้อสายจีนเนี่ยเขาจะถือมากว่าคนหนีเข้าวัดไปบวชนี่คือคนสิ้นไลไม้ตอกเป็นคนอกหักบ้างเป็นคนที่หมดอะไรตายอยากบ้างนะส่วนมากจะเข้าใจกันแบบนั้นก็หลายปีก่อนพ่อครูจัดบวชให้น้องคีลูกสาวเองวันวิสาขาบูชา คุณย่ามาจากอเมริกาทุกมากอาม่าสมจิตตอนนั้นแกทำใจไม่ได้เอาหลานแกตั้งใจอยู่เมืองนอกไปอยู่เมืองนอกแค่นี้ก็ทุกมากมายอยู่ๆเนี่ยจับหลานสาวแกจะบวชน้องดอนเป็นลูกชายเป็นลูกชายคนเล็กเขาได้ยินข่าวเขาก็ขอบวชเนนด้วยซึ่งคีเนี่ยเขาบวชเพราะว่าเขาจบม .6 แล้วจบกศน เขาต้องบวทชีไปเรียนวิทยาลัย ไ, ไม่ชีอันนี้เขารู้แล้วนะไม่ต้องพวกครูบอกน้องดอนก็ขอบท ด, ด้วยบอกในไหนจะไปแล้วขอบวทเนนด้วยอา้าดอนเรียนแค่มสามยังมีเวลาต้องเรียนมหกอยู่ที่นี่เขาไม่กล้าบอกพรอครูนะเขาบอกผ่านอาจารย์ปรมีเรามาบอกพ่อครูพรอครูก็เรียกมาคุยว่าเกิดอะไรขึ้นแกบอกในไหนจะไปแล้ว ไปเดี๋ยวนี้เลยวันนั้นเราก็ได้บวชทั้งชีทั้งเนนอยู่ที่ศาลาแห่งนี้ในวันวิสาขาบูชาซึ่งเราไม่ได้คุมถุงชนไม่ได้สั่งให้เขาบวชและอันนี้เา็าเรียกว่าบุญบวชมันไม่ไม่ใช่ใครอยากบวชก็ได้นะถ้าไม่มีบุญนะก็ไม่ได้บวชนะไม่ใช่ว่าใครอยากบวชก็ได้อันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อวานนี้ไม่ชียุ้ยก็ตัดสินใจว่า ภาวนาตัวว่าจะออกบวชเพื่อจะเป็นสาวกของพุทธเจ้านะพราะครูก็พูดว่าอันนี้สงฆ์ของการบวชได้อะไรมันมีหลายปีก่อนตอนหลวงพ่อชาท่านยังอยู่มีคุณหมอท่านหนึ่งเนี่ยเคยไปถามท่านว่าเพราะหมอเรียนจบมาเพื่อนโดนกันเนี่ยเพื่อนจบแล้วก็กตันยูรูกคุณพ่อแม่ก็จะบวชให้คุณแม่สักคุณพ่อคุณแม่สักอาทิตย์หนึ่ง ก่อนที่จะออกไปทำงานพอไปบวชแล้วทราบซึ้งในรถพระธรรมไม่สึกเลยคุณพ่อคุณแม่จนมากน้องๆก็อีกหลายคนอุตส่าห์ส่งเสียให้จบคิดว่าจบมาแล้วเนี่ยจะได้มาเลี้ยงพ่อแม่ดูแลน้องๆไม่สึกเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นหมอเนี่ยเขาโกรธมากเพราะเขาสนิทกันมากเขาถือว่าไม่กระตันอยู่เขาก็ไปถามหลวงพ่อชาว่า ศา ส, สนาพุทธสอนอย่างนี้เหรอเรียนจบแล้วไม่ออกมาเลี้ยงพ่อแม่ดูแลน้องไปบวชไม่เห็นแก่ตัวเลยหลวงพ่อชาท่านก็บอกว่าถ้าเรียนจบแล้วเนี่ยไปทำงานเลี้ยงพ่อแม่ดูแลน้องเนี่ยกระตันอยู่รู้คุณคุณค่าของมันเทียบเท่ากับตะ ก, กั่วก้อนหนึ่งช่างกิโลขายได้แต่ถ้าเรียนจบแล้วไปบวชไม่ศึกเลยเนี่ย คุณค่าของมันเทียบเท่ากับทองคำก้อนหนึ่งที่นี่คนที่ฟังเรื่องนี้เป็นเทปของหลวงพ่อชารุ่นเก่ามากตอนนั้นก็บังเอิญตอนช่วงท้ายฟังไม่รู้เรื่องอยติธรรมที่นี่ก็มาถามพา่อครูหนูก็เห็นว่าเห็นแก่ตัวนะพ่อแม่ก็ยากจนอุตส่าห์ส่งเสียให้จบเป็นลูกคนโตไม่ออกมาทำหน้าที่เลี้ยงพ่อแม่ดูแลน้องไม่เห็นแก่ตัวเลย พ่อครูก็ถามบอกว่าวันที่จะบวชนั้นคนที่จะบวชนั่นเขาได้อะไรเขาได้ปลงผมปลงคิว้วเสียสละความสวยงามได้ปลงเสื้อผ้าสวยๆหลายชุดตอนนี้เหลือชุดขาวชุดเดียวได้ปลงอาหารเย็นด้วยเอาเป็นว่าบวชปุ๊บเขาไม่ได้แถมเรือยอดไม่ได้แถมรถเบน ไม่ได้อยู่บังกะโลเอาเป็นว่าเขาไม่ได้ไปเสพสุขเขาไม่เห็นแก่ตัวแน่นอนเขาไม่ได้ไปเสพสุขเขาต้องเสียสละคาว่าปลงเนี่ยปล่อยวางความสะดวกสบายหลายหลายอย่างก็แก้ปัญหาว่าไม่เห็นแก่ตัวแน่นอนแล้วทีนี้บวชมันจะได้อนิสงส์ล่ะ มันได้ดีสงมากเท่ากับไปเลี้ยงพ่อแม่ดูแลน้องได้อย่างไรนะก็ญาติธรรมก็มาถามพวกครูก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าหลายปีก่อนมีผู้พากษาครอบครัวหนึ่งมาจากมุกดาหารตอนนั้นลูกสาวตัวเล็กๆสองคนน่ารักมากพามาตั้งครอบครัวตอนนั้นเขาจะย้ายจากมุกดาหารไปอยู่จังหวัดนื่น ทีแรกพอกูก็ไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังพอปฏิบัติแล้วภรรยาผู้พากษานี่เข้าไปในจิตได้ก่อนแล้วลึกชาติกลายเป็นตอนนี้ตอนนั้นเข้ามาก็อายุสี่สิบต้นๆกลายเป็นคนแก่อายุเก้าสิบเดินอยู่ข้างศาลาเนี่ยเอาไม่กวาดนี่กลายเป็นไม่เท้าเดินหลังกงๆงพอกูก็เห็นจิตบกยายยายไปไหน ไปเยี่ยมหลานวางเถอะแก่แล้วก็บอกไม่ได้คิดถึงมันพอเดินไปเดินมาผู้พากษานั่งร้องโอ้คุณยายได้ยินเสียงก็เดินเข้ามาในศาลาไปรูปหัวลูกเอ๋ยลูกเอ๋ยอย่าร้องไห้อดีตเป็นลูกชายปัจจุบันเป็นสามีแล้วพอออกจากกรรมาฐานแล้วมาร้องไห้กับพ่อขูร้องไห้ จนพูดอะไรไม่ออกเพราะกูก็ปล่อยให้ร้องไห้จนเสร็จแล้ว ก, ก็เล่าให้ฟังว่าคุยกันไม่รู้เรื่องจนถึงขนาดจะหย่าล้างกันหลังจากสอบอารมณ์นั้เป็นคนดีทั้งคู่แล้วทาไมต้องหย่าร้างผู้พักษาเป็นคนดีตรงฉินมากก็เพราะไอ้ตรงฉินนี่แหละบางทีคดีนี้เขารู้อยู่แล้วว่าไอ้จำเลยมันไม่ผิดนะ แต่พยานหลักฐานจากอายการจากตำรวจมาเนี่ยไม่มีทางอื่นเลยถ้าไม่ตัดสินตัวเองก็อยู่ไม่ได้ตัดสินแล้วตัวเองก็ทุกข์ไปปล่อยนกปล่อยกาปล่อยปลาแล้วก็ไม่หายไปพึ่งเหล้าผูดภาษาก็ไม่ให้ไปซีสัวกินเหล้าไปเที่ยวเตะที่ไหนนะก็ขโมยกินจนเมาคุมสติไม่อยู่ก็ทะเลาะเบาแววงกับภรรยาคุยกันไม่รู้เรื่อง ไม่ใช่ความชั่วนะเพราะเป็นคนดีนั่นแหละภรรยาก็เล่าให้กูฟังหมดเลยเพราะกูเราเห็นยังไงทใไมเกิดมาต้องมาเจอคนคนนี้ต้องมาใช้กรรมแล้วคนคนนี้เป็นใครละ่ะลูกชายไงลูกชายไงมันเป็นกรรมร่วม อา น, นิสงส์ที่การบวชเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่พอใจอะไรก็ช่างแรกๆ แ, แ, แต่บวชแล้วโดยเฉพาะเราเป็นคนไทยพันธุศาสกระชนเนี่ยบางทียังไม่พร้อมหรอกแต่ได้ยินคาว่าบวชแล้วจะพูดก็ไม่กล้าพูดต้องยกมือท่วมหัวสาธุการบวชเนี่ยเป็นอุบายวิธีในการตัดกรรมทีนี้คุณแม่ของคุณหมอนั้น ที่ผ่านมาเนื่องจากความยากจนต้องดูแลครอบครัวไม่มีส่วนเกินที่จะต้องไปวัดไปทำบุญแต่ตอนนี้เนื่องจากความรักลูกก็ต้องไปอุปถากลูกระหว่างเมื่อบวชเสร็จแล้วพราคกูถามว่าระหว่างแม่กับลูกใครไหว้ใครบอกถักแม่กราบลูกปกติถ้าแม่กราบลูกนี่เป็นอาเพศนะ ตอนนี้แม่กราบพระเมื่อเราเข้าวัดมีโอกาสอุปถากรูปนะมีโอกาสไปทำบุญมากน้อยและถ้าไปเจอพระจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะกลัวเป็นหนี้เราเราไปถวายวัตถุทานท่านก็ให้ธรรมทานเราคืนคุณแม่ก็มีโอกาสปฏิบัติธรรมด้วยมาล้างไอโปรแกรมความผูกพันตรงนั้น ไม่งั้นมันจะเวียน่าวตายเกิดชาตินี้ฉันเลี้ยงเธอชาติหน้าเธอเลี้ยงฉันครอบครัววิภากษานี้เนี่ยสงบเย็นว่างสามวันปุ๊บปิดสามวันปุ๊บเนี่ยจะวิ่งมาที่นี่ทันทีมาทั้งครอบครัวแล้วก็ไอตัวเล็ ก, กออกมาคนหนึ่งเป็นสามสามใบเถานะคนเล็กนั่นปฏิบัติธรรมตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่เป็นครอบครัวที่อบอุ่น เพราะทุกคนล้างทิฏฐิมรณะของตัวเองเออกไปหมดทุกคนมีสติมีปัญญาแล้วก็อยู่ร่วมกันไม่ใช่ครอบครัวเป็นสามีภรรยาอะไรเงเหมือนเป็นกรายานมิตรยิ่งดูแลกันมากกว่าเก่าเปลี่ยนจากความรักกลายเป็นความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเพราะความรักนั่นมันแฝงด้วยความเห็นแก่ตัวรักเพราะเธอเป็นของฉัน ถ้าเธอถูกแยกไปเมื่อไหร่เนี่ยไม่ใช่ไม่รักนะแค้นนี้ต้องชำระสิบปียังไม่สายความรักมันทุกข์รักโลกโกรธหลงมันเป็นทุกข์บางคนบอกรักกันไม่ดีได้ยังไงก็หลายปีก่อนนั่นแหละมุกดาหารเหมือนกันคุณหมอท่านหนึ่งมาครั้งแรกภรรยาคุณหมอเป็นพยาบาลด้วยแรงมาก พราะพวกครูบอกว่ารักโลภโกรธหลงมันเป็นทุกยกมือเลยรักกันจะไม่ดีได้ยังไงรักมันก็ดีแล้วไงทุกคนสอนให้รักกันบอกรักคุณหมอไหมก็บอกรักสิวันไหนที่คุณหมอถูกแย่งไปยังรักอยู่หรือเปล่านั่งอึ้งเลยรักเพราะเขาเป็นของเราถ้าเรารักเขาจริงๆเนี่ยถ้าเขาไปมีความสุขเนี่ยเราต้องอนุโมทนาสาธุ แค้นทำไมความรักมันแฝงด้วยความเห็นแก่ตัวความหลงและไอ้รักตัวนี้แหละถ้ามันผิดหวังเมื่อไหร่มันจะพัฒนาไปสู่ความเป็นพยาบาทข้ามภพข้ามชาติเนี่ยอา น, นิสงของการบวชเนี่ยจะทำให้เราคนที่บวชก็ได้ล้างโปรแกรมตัวเองนะคนที่เลี้ยงดูเรามาเนี่ยชอบไม่ชอบก็ช่าง เขาก็จะได้มีโอกาสล้างโปรแกรมตัวเองไอการสนองคุณผู้มีพระคุณนะโดยเฉพาะบุปการีเนี่ยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือชี้ทางทำให้ท่านเราหาเงินกี่แสนล้านไปบเาเลิกันนะก็จ่ายไม่หมดเพราะลูกเนี่ยคือก้อนเนื้อคือเนื้องอกก้อนหนึ่งของพ่อแม่จ่ายนี่ยังไงก็ไม่หมดถ้าเอาเงินมาจ่าย ให้ธรรมะคือลูกเขาไปบวชนั่นเขาไม่ได้ไปเสพสุขเขาต้องไปอดทนอยู่แบบสมถะเรียบง่ายนี่คืออุบายวิธีในทางพุทธศาสนานะอันนี้ก็พูดถึงว่าอ น, นิสงส์ของการบวชเนี่ยแต่ต้องบวชจริงๆนะต้องบวชจริงๆแล้วก็ปฏิบัติจริงๆนะไม่ใช่บวชหนีที่เกียร บวชเพื่อจะมีโอกาสได้เรียนเฉยๆนัยยะของการบวชคือบวชหนีสงสารคือทาลายวัตตสงสารนั่นคือเป้าหมายของการบวชในพุทธศาสนาอย่างน้อยๆเราเสียอะไรเราก็ต้องสูญเสียความสะดวกสบายนะเราก็รักพ่อรักแม่ทุกคนรักพี่น้องหมดถ้าไม่ตั้งมั่นจริงๆเนี่ยทำไม่ได้นะก็ เราเห็นใครบวชเนี่ยชนเขาจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยถ้าคนฉลาดต้องใช้โอกาสนั้นน่ยยกมือท่วมหัวอนุโมทนาสาธุด้วยเราได้กุศลตัว น, นั้นเหมือนเห็นคนเขาทำบุญอะไรๆเนี่ยนะอย่าไปอิจฉานะบางคนก็ว่ากันไปว่ากันมานะ เ, เขาทำบุญยกมือท่วมหัวเราได้ด้วยนะไม่ใช่ไปอิจฉาเขาอย่างนี้นะพูดไปพูดมานะ แทนที่จะมีโอกาสได้กุศลเป็นเป็นบุญกุศลด้วยเนี่ยกับกลายไปสร้างวจีกรรมอันนี้พ่อกูก็พูดถึงเรื่องเมื่อวานนี้แล้วมันก็เชื่อมโยงกับสามคำถามหนึ่งในนั้นก็คือว่ามันมีคําถามว่าแก้วทิศเพิ่งบอกเมื่อกี้นี้ว่าเราได้ยินว่าการทําบุญเนี่ยโดยการให้ทานเนี่ยเป็นกุศลอย่างยิ่งแต่ทําไมมาปฏิบัติธรรมแล้วได้ยินว่า การปฏิปธรรมหรือเจริญวิปัสนาเนี่ยได้กุศลมากกว่านะหลายคนก็ไม่เข้าใจเพราะโดยสังคมบ้านเราเนี่ยเราไม่ค่อยมีเวลาเราคิดว่าเราเอาบุญไม่ใช่ทำบุญทำวัตถุทานไม่ใช่ไม่ดีนางวิสาขาทำบุญเป็นแสนแสนโกดนะก็บรรลุโสดาบันแล้วสุดท้ายก็บรรลุอรหันต์ตนหเหมือนกันทำบุญแบบสุดๆเลยนางวิสาขานะก็ได้มันเป็น การทำบุญทำทานเนี่ยบุญเกิดจากการให้ทานเนี่ยคือเป็นการจา่าฆะคือสลัดความโวบความตณีออกนะเริ่มจากมีวัตถุทานนะกว่าเราจะหาเงินได้กว่าเราจะเรียนจบลงทุนไปเท่าไหร่ก็เอาวิชาเราไปทำงานเอาแรงงานไปทำเนี่ยกว่าจะไดมากับเงินยังแบ่งส่วนเงิสนส่วนหนึ่งเนี่ยไปทาบุญเนี่ยมันเป็นอุบายวิธีในการขัดเกลความโลภความตณีนะแล้วมีโลภโกรธหลง การทำวัตถุทานอะไรเนี่ยนะการทำทานเนี่ยคือเป็นการขัดเกลจิตความโลภความติีให้มันน้อยลงเมื่อเราความทยานอยากเราน้อยลงเนี่ยการกระเสือกกระสนที่จะไปสร้างกรรมใหม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นมันก็อ่อนลงนี่คืออุบายวิธีในการทำทานของทางาศาสนามันก็มีวัตถุทานแต่ทีนี้วันนั้นพวกูก็พูดเรื่องนี้แล้ววัตถุทานเนี่ยก็ขัดเกลา แต่ไม่ใช่ว่าทําบุญกับพุทธ่เจ้าทําบุญสร้างวัดทําบุญไปร้อยหนึ่งสาธุให้ถูกลงวันที่หนึ่งอันนี้เรียกว่าค้ากําไรเกินควรนะมันเป็นแค่เขาเรียกว่าบุญกิริยากิริยาในการทําบุญแต่จิตไม่เป็นกุศลเลยยังทําอย่างแฝงด้วยอามิตรสิ่งตอบแทนมันไม่ใช่บุญมันเป็นกิริยาในการทําบุญแต่จิตไม่เป็นกุศลเลยนะถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ทําบุญก็คือสลัดออก สลัดออกบุญคือเบาบาปคือหนักนะทำบุญตามบุญแล้วมันหนักอกหนักใจเนะี่ยมันกล า, ายเป็นบาปทางใจนะมันไม่มันไม่ใช่บุญนะโอเควัตถุทานก็ต้องทําบ่อยๆมันจะได้ลดความทะยานอยากของเราเมื่ออยากน้อยหน่อยหนึ่งการกระเสือกกระสนทรมานตัวเองกับไปเบียดเบียนคนอื่นมันก็น้อยลงนะอันนี้ได้อันนี้สงสติว่าได้อ น, นิสง์คิดเป็นกิโลนะทางวิทยาศาสตร์หรือว่า คิดเป็นเปอร์เซนต์อ้าวตีว่าได้สิบเปอซนต์ว่าเราแบกร้อยเอร์ซอยู่แบกกิเลตันหาประธานร้อเรซเราก็ทำวัตถุทานแล้วก็โยนทิ้งไปสิเอร์ซเราก็เบาไปสิบกิโลแต่มันยังน้อยกว่าการให้ธรรมทานเพราะครูกําลังทําอะไรกําลังให้ธรรมทานไม่ต้องเสียสตังแต่ต้องเสียเวลาเสียพลังงานเสียความรู้ยุคนี้ความรู้ให้กันไม่ได้นะ วิจัยแทบแย่แล้วเรื่องอะไรฉันจะให้เธอฉันลิขสิทธิ์เพราะลิขสิทธิ์นี้ก็แลกเป็นเงินได้ฉันเรื่องอะไรจะไปให้ให้กันไม่ได้เด็กนักเรียนทุกวันนี้ถูกสอนให้แข่งขันเพราเพื่อนถามหน่อยไม่อยากบอกเพราะกลัวแพ้เพื่อนการศึกษาทุกวันนี้สังคมทุนนิยมแข่งขันเสรีนิสอนให้คนเห็นแก่ตัวและพลาดโอกาสในการทําบุญธรรมทานนี่ไม่ต้องเสียเงิน เราไม่ขี้เหนียวเรื่องความรู้เราให้ชี้ทางถูกต้องให้เขาเดินนะอันนี้ได้ น, นิสง์มากกว่านะ mm hmm. เขาบอกว่าการให้ธรรมทานเนี่ยยิ่งกว่าการให้ทั้งปวงหมายความว่าให้ธรรมทานเนี่ยมันออกไปสู่วงกว้างเพราะครูพูดทีหนึ่งคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนถ้าเราถ่ายทอดไปทั่วโลกเนี่ยได้ทันทีมันออกไปสู่วงกว้าง อันนี้สมมติเกิดจากวงกว้างแต่ผู้ให้เนี่ยได้มากกว่าวัตถุทานยกตัวอย่างว่าถ้าเปรียบเทียบอันนี้ยกตัวอย่างนะไม่ใช่ไม่ใช่จริงจังอย่างนั้นน่ะอาจจะได้30มกิโลสาซนะได้มากกว่าวัตถุทานนะไอตัวนี้คือให้ธรรมทานเพราะว่าความรู้เราเดี๋บางทีเป็นลิขสิทธิ์เนี่ยมันไปนตีเงินเป็นทองมันมากกว่าที่เราให้วัตถุทานด้วย แล้วก็ไปชี้ทางถูกต้องให้เขาเนี่ยแทนที่เขาจะเลี้ยวผิดปุ๊บเขาเดินทางถูกเนี่นะเราปลดปล่อยให้คนพ้นทุกไปเนี่ยได้อา น, นิสงฆ์มากในวงกว้างแต่ทั้งสองอย่างนั้นอ่ะได้อา น, นิสงค์น้อยกว่าการให้อภัยทานแม้แต่ครั้งเดียวคนเดียวให้ครั้งเดียวเนี่ยได้อา น, นิสงฆ์มากกว่าวัตถุทานกับธรรมทานหลายคนก็เข้าใจเอ๊ะ ทำไมยัถึงเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราเข้าถึงจิตเราจะเข้าใจสิ่งนี้เข้าใจคําสอนพระพุทธเจ้าเราสร้างโบสถ์วิหาร<ม>บักเยอะแยะเลยลงทุนไปเป็นร้อยล้านพันล้านนะก็ได้อา น, นิสงส์นะแต่ถ้าโบสถ์วิหารนั้นสร้างเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยบุญมันไม่สืบเนื่องแต่ถ้าโบสถ์วิหารนั้นเอามาปฏิบัติทำทุกวันเนี่ยโดยเฉพาะสังคมไทยนี่แย่งกัน จองพระประธานเพราะอะไรโดยเฉพาะพระประธานที่ไปตั้งอยู่ในสถานที่ที่เขาบําเป็นเพียรทุกวันคนกราบไหว้ทุกวันเนี่ยได้ในสงเยอะมากในแง่ผู้ผู้ให้นะตายแล้วเกิดมาใหม่ยังอยู่คนกราบไหว้ทุกวันเนี่ยเขาถึงแย่งกันตรงนี้อันนี้ก็ได้วัตวัตถุทานนะแต่วัตถุทานนั้นได้มีสงน้อยกว่าให้ธรรมทานแต่ให้ธรรมทานเนี่ย ประโยชน์มันเกิดขึ้นจากวงกว้างก็จริงแต่ผู้ให้ได้น้อยกว่าอภัยทานครั้งเดียวเพราะอะไรอภัยทานเนี่ยมันเป็นทำลายตัวพยาบาทของเราที่พ่อครูพูดบ่อยๆว่าเวลาเด็กมันเล่นกันเวลามันดีใจยไม่มีมารยาทเวลาเสียใจมันนอนลงไปกิ้งร้องรองคุกฝุ่นอยู่นั่นละ่ะลุกขึ้นมามันก็เล่นกันต่อ มันไม่เก็บความแค้นไว้มันปล่อยออกมาหมดแต่ผู้ใหญ่เราเนี่ยแค้นนี้ต้องชําระสิบปียังไม่สายเรื่องอะไรจะให้อภัยมันมันเป็นคนผิดไงพอกูถามว่าถ้าไม่มีคนผิดเราจะให้อภัยใครอยู่ๆคนนี้นั่งเฉยๆไม่ได้ทําผิดอะไรเลยฉันให้อภัยเธอนะเขาก็ดา่าเราเดี๋ยวนะเธอให้อภัยฉันทำไมอภัยทานไม่ต้องเสียสตังบาทหนึ่งไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดง่ายที่สุด ยากที่สุดเพราะทิฏฐิมานะเราไม่ยอมแล้วกำหนัดที่สุดมันข้ามภพข้ามชาติพยาบาทตัวนี้เนี่ยเกิดไปมันตามไปเห็นไหมชาตินี้เราเจอในกองหมันไส้เจอในขอถูกชะตามากถามว่าทำไม มันเป็นโปรแกรมที่มันฝังลึกอยู่ในนั้นมันเป็นโปรแกรมกังทำให้เราต้องไปตามทวงหนี้กันนะพอพูดถึงเรื่องทวงหนี้แล้วเนี่ยก็มีอีกเรื่องหนึ่งมีเคสหนึ่งนะ เ, เด็กษาคนนี้ชื่อว่า A อเป็นโรค SLE โรคพุ่มพวงดวงจันทร์ไปรักษาทางวิทยาศาสตร์นะ ฉีดมอร์ฟีนบางทีมันเจ็บปวดเขายังไม่อยู่กนะินสเตอรอยอะไรจนผมร่วงหมดหน้านี่เกรียมหมดเหมือนเป็นผิวหนังเป็นมะเร็งแพ้ทางผิวหนังนะหมอบอกทำใจซะรักษาไม่ได้แล้วให้เวลาประมาณสองเดือนพุ่มพวงจะเอาไปเป็นหางเครื่องอยู่บนเนี่ยบางเอิน มีคนแนะนำมาที่นี่เขาก็มาอยู่ที่นี่สามเดือนเพราะหมอบอกเขาว่าอยู่ได้สองเดือนสามเดือนนั้นมันป ฏ, ปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติแค่ใช้พลังสมาธิพลังลมปานเฉยๆเนี่เมื่อภูมิโรคภูมิแพ้นี่มันไม่ได้ตายเพราะภูมิแพ้มันตายเพราะว่าโาครคภัยไข้เจ็บอย่างอื่นมาแทรกซ้อนเพราะภูมิคุ้มกันมันอ่อนแอภูมิมันแพ้ เพราะมันเบี่ยงไปเบี่ยงมามันทำให้ภูมิชนะมันก็ไม่แพ้ผมก็งอกเงยขึ้นมาดำปิดหน้าตาที่เกลียมภบหายหมดสวยกว่าเก่าพวเดเลือดลมมันวิ่งแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตอีกเก้าปีบังเอิญกรรมของมันอ่ะนะแฟนก็เป็นคนเจ้าชู้ไม่มีลูกแฟนมันก็ฉลาดนะมันเจ้าชู้แต่มันมันไม่ไม่มีชู้ มันไปมีกิกเพราะถ้ามีชู้ผิดศีลนะยุคนี้มันฉลาดใช้ภาษาไงถ้ามีกิกไม่ไปเลยไอ้เจ้าเอนี่ก็ทุกข์อีกก็หลุดเหมือนกันก็ไปเที่ยวเตะกินเหล้าเมายาโลกมันก็กำเริบตอนนี้มันรู้เลยว่าต้องไปไหนเ้าปีผ่านไปก็กลับมาที่นี่ครั้งนี้อยู่อีกสี่เดือนตอนนี้ระลึกชาติยี่สิบกว่าชาติ เขาไปเห็นเหตุสาเหตุต้นเหตุที่เขาเป็นอย่างนี้นะพราครูพูดเาตอนนี้สมุดที่เขาบันทึกไว้พราครูให้เขาบันทึกตลอดยังอยู่ที่พวกูมีชาติหนึ่งเป็นนายพนมีหน้าอาชีพคือล่าสัตว์นะก็เอาไปขายดำรงชีวิตมีครั้งหนึ่งไปยิงกวางตัวใหญ่ๆมาก ต้องลากมามันเพราะมันตัวใหญ่มากระหว่างทางเนี่ยตัวเองก็ไม่สบายล้มป่วยมันก็ร้องอยู่ในกรรมาฐานใครก็ได้ช่วยหน่อยหนึ่งจนกวางตัวนั้นเน่าเหม็นน่ะคงหลายวันน่ะบอกเหม็นเหม็นเหม็นร้องในกรรมาฐานเลยนะแล้วบังเอิญจะได้มีนายผ่านคนหนึ่งเขาผ่านมาเขาก็พาเขากลับบ้านแล้วชาตินั้นมันก็ไม่สบายป่วย ก็ป่วยตายและยี่สิบกว่าชาติเขาเนี่ยทั้งเป็นผู้หญิงผู้ชายกลับไปกลับมาเป็นสัตว์ด้วยไม่มีลูกสักชาติหนึ่งแต่ก็ตอบใจเกือบทุกชาติมีสองชาติชาติหนึ่งทิ้งภรรยาไปบวชเป็นพระธุดงนี้ไปอยู่ในป่าแต่ก่อนจะสิ้นใจก็ไม่สบายอีก ภรรยาก็ไปนั่งเฝ้าอีกวันที่จะไปก็สงสารภรรยาก็ทิ้งไม่ได้ก็ขึ้นไปไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ก็ไปปิ๊งเทวดาเกิดมาเป็นงูเป็นงูใหญ่มากอยู่ในถ้มชอบฟังธรรมแต่มันทุกข์มากเพราะมันถามไม่ได้งูนี่เป็นหนึ่งในสิบ ประเภทสัตว์ที่ผู้เจ้าบอกละเว้นละเว้นในการที่จะฆ่ามันเพราะว่าสัตว์สิบชนิดนี้เนี่ยมันบันทึกโปรแกรมได้งู ม, มันชอบฟังธรรมอย่างพระทุดองไปอยู่ในถร้รมที่ว่าไปเทศนาแะ้วมันก็ฟังแต่ว่ามันถามไม่ได้แล้วก็มีชาติสุดท้ายที่จะมาเกิดเป็นเอนี่ได้บวชชี อันนี้สงศ์นะที่บวชพระด้วยบวชชีเนี่ยที่เขาสะสมบารมีมาระดับหนึ่งเนี่ยแต่ไอกกรรมที่มันสร้างมามันก็สมผลมันก็ต้องรับกรรมไปส่วนเอ ก, กุศลที่มันมีมันก็ส่งผลให้มันมาเจอแนวทางมันมาต่อยอดทีแรกก็เก้าปีไม่อีกสี่เดือนนี้ตอนนี้อยู่มาอีกเพราะว่ารวมผมแล้วก็เกือบสิบกว่าปีแล้วละ่ะแต่โลกนี้ มันยังไม่ถึงขั้นจิตวิพนดวงตายเห็นธรรมมันทุเลาภูมิแพ้ก็ทำให้ภูมิชนะนะแต่ถ้ามันไปเครียดไปอะไรเลยเนี่ยมันสามารถเกิดได้จตอนนี้มันยังอยู่แต่ก็ต้องตอมใจเพราะสามีคนนี้สามีคนนี้ในอดีตเป็นอะไรสมัยไม่ใช่อยุทธยานะอยู่แถวทางเหนือก็ไปหน่อยหนึ่ง ชาวบางละจันสามีเอาไปลบสิทธิ์ถูกพม่าฆ่าตายพวกคุกคิดว่าชาตินด้มันจะแก่ตายก็เริ่มแก่แล้วสุดท้ายก็ตอมใจตายไปเลือกศพเห็นศพสามีก็ไปกอดสามีว่าจะตามสามีไปทุกๆุกชาติระวังนะอธิษฐานบา ร, รมีมันจะส่งผลมันบันทึกในสัญญาเลยและอย่างที่ว่าสาบานสาเบินให้ฟ้าผ่าอะไรเนี่ยถ้าไม่จริงอย่าพูด มันบันทึกในนั้นนะมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะเราหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตเราไม่ได้ตามสามีไปทุกชาติชาตินึงเกิดเป็นหมูสัตว์สี่เท้าตัวโตเจ้าของหมูเนี่ยอดีตสามีไอ้หมูนั้นก็ไม่สบายวันที่จะขาดใจตายยังเหลือบไปมองสามีก่อนจะตาย และเจ้าสามีนั้นก็คือเป็นสามีคนปัจจุบันด้วยมันก็ต้องมารับกรรมมาจ่ายหนี้เเพราะมันอธิษฐานไงพอคำสุดท้ายสี่เดือนเขาลดลึกชาติยี่สิบชาติแล้วมันก็ฟื้นพวกครูก็พากันตันนั้นมีสิบกว่คันรถนะพากันไปดูผาแต้ม เดี๋ยวพวกไหนวันไหนมีโอกาสอากาศดีๆเราคนจะไปโดยออกตีสี่อยู่คงเจียมขึ้นไปบนไปผาแตงวันนั้นน่ะเช้านั้นท้องฟ้าเปิดนะพระจันทร์ก็ยังอยู่เขาก็ถ่ายรูปดาวเต็มฟ้าเลยสักพักหนึ่งพระอาทิตย์ก็โผล่ขึ้นมาเห็นหมดเลยนะเขาก็ถ่ายรูปกันพอเสร็จแล้วเขาก็มานั่งพวกกูถามว่าเห็นอะไรบ้าง ไอ้เจ้าเอบอกเห็นพระอาทิตย์ขึ้น mm. พ่อคูบอกไหนเขาบอกนั่นไงนั่นไงพ่อครูไม่เคยเห็นพ้าอาทิตย์ขึ้นสักทีหนึ่งเพราะเอเขาบอกพ่อครูว่าเขาเหวี่ยงทิ้งหมดแล้วเหลืออย่างเดียวเหวี่ยงไม่ทิ้งเขาอกหกักเพราะแฟนไม่รักพ่อคูบอกเอคิดผิดคิดใหม่ได้นะที่เธออกหักนั้นไม่ใช่เป็นเพราะแฟนไม่รักเป็นเพราะเธอเป็นหลงรักเขา ไม่ใช่เป็นพอแฟนไม่รักเธอพ่อเธอหลงรักเขาพระอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงโลกมันหมุนทุกวันนี้เราประกาศพระอาทิตย์ขึ้นกี่โมงลงกี่โมงทุกคนเข้าใจเลยว่าเด็กเยาวชนเขเข้าใจว่าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์พระอาทิตย์ความเป็นจริงมันไม่ได้ขึ้นมันได้ลงโลกมันหมุนต้องแก้ที่ตัวเองอย่าไปโทษพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ลงอย่าไปโทษว่าเขาเราอกหักเพราะเขาไม่รักเรา ผู้เจ้าบอกอัตหิอัตโนนาโถตนแลย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนตอนนี้เราไม่มีขันติไม่มีศรัทธากับตัวเองเราจะพึ่งคนอื่นเรื่อยไปเราจะไม่มีวันเข้มแข็งบอกเจ้าเอไอ้สิ่งที่เวียงไม่ทิ้งอะเวียงต่อไปเธออกหักไม่ใช่เป็นเพราะเขาไม่รักเ ธ, เ, เธอเป็นเพราะเธอไปหลงรักเขา ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมดีแล้วเราเห็นทุกข์ดีแล้วไม่งั้นไอ้กรรมตัวนี้เนี่ยมันจะข้ามพบข้ามชาติอีกไม่รู้กี่ชาติอธิษฐานบา ร, รมีมันเป็นโปรกแกรมแบบนั้นเราล้างมันได้ต้องมาจ่ายหนี้กรรมทางจิตเราต้องเปลี่ยนตัวเองไม่ใช่เปลี่ยนเขาเปลี่ยนใครก็ไม่ได้ทวันวนี้ชีวิตเราเนี่ยเป็นเพราะเธอด่าฉันฉันก็เลยทุกข์ไม่ใช่ เขามีปากเขาก็ด่าเรามีหูเราก็ยินแต่เรามีสิทธิ์ที่จะเอาไม่เอามาคิดที่เราทุกข์เพราะเราโง่เองนะถูกด่ายังไม่พอยังขาดทุนนะถูกด่านะยังเอาคาด่ า, ม, ามันมาทำให้ตัวเองทุกข์เลยในขาดทุนสองต่อเหมือนถ้าเขาเป็นหนี้เราด่าก็แล้วอะไรก็แล้วมันก็ยังไม่จ่ายกลับมาบ้านแถมนอนไม่หลับอีก เสียเงินไม่พอเสียชีวิตอีกโง่ซมซอนเพราะเราไม่เข้าใจชีวิตเราเอาชีวิตไปทุกข์กับเรื่องได้เปรียบเสียเปรียบก็มันผิดไงมันเป็นหนี้ฉันไงแล้วยังไงนอนไม่หลับแล้วมันจ่ายไหมมันก็ไม่มาจ่ายอยู่ดีนั่นแหละถ้าเราเราทำทานวตัตถุทานธรรมทานอภัยยาทานบ่อยๆเนี่ยนะ ไอ้ความเครียดแค้นตัวนี้มันก็จะอ่อนลงาบางคนบอกก็แค้นนี้ต้องชำระสิบปียังไม่สายนะผ่านไปเก้าปีสิบเอ็ดเือน2ี่ิบเก้าวันอีกแค่วันหนึ่งจะหมดแล้วคืนนั้นก่อนจะนอนคิดถึงหน้ามันอีกต่อวีซ่าไปอีกสิบปีแบกวกเขาอยู่ตรงนั้นวันจะตายก็แบกไปด้วยไปเจอกันชาติหน้าไปทวงหนี้กันทางนู้นอีก คนจีนน่คนจีนแต่จิว๋วเนี่ยเขารักลูกเขาเขามีภาษาพูดทีเล่นทีจริงเน่ด่าลูกว่าไอ้ทอแจกเกียคือไอ้ลูกทวงนี้ <c oughs> ลูกมันมีสองประเภทประเภทมาทวงนี้กับประเภทมาจ่ายหนี้แต่ตอนนี้จ่ายหนี้ก็ไม่เป็นไรบางทีมาสร้างหนี้ใหม่เพิ่มสมมติ้าคุณแม่เนี่เป็นโรคเบาหวาน จะชอบกินของหวานมากกินแล้วมีความสุขมากใครจะห้ามก็ช่างนะช่างมันก็ตายเหมือนกันแหละนะก่อนจะตายให้สุขหน่อยหนึ่งลูกก็รักแม่ตามใจแม่ก็ซื้อของหวานประเคนแม่ทุกวันคุณแม่ก็กอดคอฉันรักเธอเธอรักฉันรักกันข้ามภพข้ามชาติรักแม่จริงหรือเปล่าหรือหรือวางแผนให้ตายให้แม่ตายผ่อนสงเนี่ยรักแบบขาดสติ เห็นแต่อันนิสงที่เราบวชเนี่เราต้องอดทนอดกัน้นอย่างน้อยๆถ้าเราบวชจริงเนี่ยเราต้องเป็นเป็นส่วนหนึ่งไปสร้างกรรมร่วมหรือว่าสร้างกรรมคือบางทีคุณแม่แกทุกข์เพราะคูยขนาดเพราะคูย ย, นนะยังโดนนะยังโดนนะญาติธรรมบางคนที่เป็นญาติจริงๆนะกับอมาม่ากับมแม่นะ พามาไปบ่นไปร้องไห้ก็ฟังว่าเอาหลานสาวแกมาบวชเ็าบอกพระครูถ้าดีจริงทำให้แม่ร้องไห้ทำไมพาะครูไม่ได้ทำอะไรเลยแต่แม่แกวางไม่ได้แกก็ร้องไห้เองถ้าเราไม่แม่นนะระหว่างกระตันยูกับอกตันยูเนี่ยมันเป็นเส้นได้เลยละ่ะถ้าจิตมีเจตนานิดหนึ่งเพื่อจะทำให้แม่เสียใจแล้วเนี่ยบวชแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ การที่กระบวดเราไม่ได้ไปเสพสุขเราไม่ได้เห็นแก่ตัวนะเป็นการตัดกรรมให้พ่อให้แม่ทำใจวางเราซักแล้วเราต้องวางเหมือนกันเป็นอุบายวิธีในการตัดกรรมเนี่ยอันนี้ส่ง้องการบวชแล้วก็คำถามที่ว่าก็ทำบุญก็ดีแล้วเรืยังบอกว่า เจริญวปัสสนาได้บุญมากกว่าบางคนสงสัยนั่งหลับหูหลับตาไม่ได้ไปทําความดีเลยเนี่ยมันจะอันนี้สงมากกว่ายังไงนะบางคนไม่เข้าใจจริงๆสมัยก่อนพ่อครูไม่ใช่ไม่เข้าใจเฉยๆเนี่ยด่าไปหลายคนไอ้พวกบ้าขี้เกียจยังไม่ว่าไม่รีบหาเงินแล้วเอาเงินไปทำบุญเยอะๆจะได้บุญนั่งหลับหูหลับตาบอกได้อันนี้สงพ่อครูเคยด่าเขานะ แั่ที่อยากเราเระเบิดแล้วเราเห็นเลยว่าเราเที่ยวไปตามขอโทษเขาเราทำบุญเนี่ยวัตถุฐานปุ๊บก็ขัดไปสิบเอร์ซเราให้ธรรมทานก็ขัดไปอีกส0มสิบอร์ซอภัยทานก็ขัดไปอีกร0อยอซนอันนี้ในแง่เรื่อ ง, เ, ออ เ, รองเรื่องตันหานะเรื่องโลภนะแต่เรื่องโกรธเรื่องหลงมันยังอยู่สมถากรรมฐานเนี่ยสมาธิเนี่ย มันจะทําให้ความโกรธอ่อนลงเพราะว่าเรามีสติมากขึ้นอ่อนลงเท่านั้นนะไม่หมดนะตัวหลงมันยังอยู่ตัวหลงต้องแก้โดยปัญญามันหลงเพราะมันมีอวิชชาคือความรู้ผิดมันต้องเกิดปัญญาและไอตัวอวิชชาเนี่ยมันก็หลอกเราไม่ได้อันนี้ส่งมันมากกว่าการเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันมีปัญญาแล้วมันก็ระเบิดทิ้งทุกอย่างเลยจริงเนี่ยเห็นไหม ได้นี้สงมากไหมช่ ว, วมีโจรคนหนึ่งเนี่ยเขาวิ่งมาในศูนย์เนี่ยถูกตํารวจไล่มาเพราะมันเพิ่งไปฆ่าคนมามันไปป้นฆ่าเขาก็บอกว่าพวกครูบอกว่าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะผมทําหน้าที่ผมไงผมจะต้องไปป้นไปฆ่าเพื่อนเลี้ยงลูกเมียผมมันก็ทําหน้าที่งไงแต่หน้าที่เนะี่ยมันเกิดเบียดเบียนขึ้นเนี่ยเขาก็ตามจับมามันมาที่นี่มันไม่มีทางเลือกสมมุติ์อย่างนี้มันถามว่าผมไม่รู้เรื่องศาสนาเลย ผมทุกข์มากเพราะกลัวถูกจับให้ผมเริ่มต้นยังไงบอกโจรโจรเธอต้องมีศีล น, น ะ, ะพูดจนตายมันก็ไม่มีเธอต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นนะนะถ้าไม่มีศีลเบื้องต้นสมาธิไม่เกิดสมาธิไม่เกิดปัญญาไม่เกิดนะไอโจรชาตินี้ไม่มีศิ์เลยไม่ใช่พูดพูดมันก็มีศีลเลยนะเราเข้าใจผิดเพราะครูเนี่ไม่มีศีลเลยสี่สิบปี สินห้าบอกไม่ให้ทำอะไรทำหมดก็ตอบร่วมกันนะมันมีข้อหนึ่งโยงมาตรงนี้มันจะได้ไม่ต้องนั่นนะคล้ายๆว่าเราเป็นพ่อค้าถ้าเราไม่โกหกเราก็ขายของไม่ได้ถ้าโกหกนี่บาปไหมอันนี้อยู่ในหนึ่งในข้อนั้นแก้วบอกเมื่อกี้นี่จริงๆแล้วเราไม่ต้องโกหกแต่เราต้องไม่เราก็ไม่ต้องบอกความจริง ก็ไม่เป็นไรเราไปเข้าใจเองว่าโกหกถึงจะขายได้มันเป็นกิเลสเราความเคยชินจริงแล้วไม่ใช่ไม่ต้องโกหกแต่ไม่ต้องบอกความจริงมันเป็นเทคนิคถ้าคนมีมารยาทเขาก็ต้องไม่ถามเราเราไม่ต้องไปโกหกเขาแต่ไม่ต้องพูดความจริงก็ไม่เป็นไรยิ่งเราเป็นคนซื่อสัตย์นะคนยิ่งเขายิ่งอยากคบหาสมาคมกับเรา จิตพ่อครูตอนนี้นะยี่สห้าปีไปซื้ออะไรไม่เคยถามราคาเลยนะบางคนถามพระครูราคาเท่าไหร่เฮ้ยไม่รู้ไม่รู้จะไปดูทำไมแต่จิตพระครูรู้ว่าถ้าทำปุ๊บไอคนขายตรงนี้เนี่ยมันมันมากมา ก, มากเกินไปมันอะไรพรอครูก็ไม่ไปซื้อกับเขาเท่านั้นเองเขาพลาดโอกาสแล้วพ่อครูจึงไปซื้อไอร้านที่ไม่ต้องถามราคา น, นนะ่ยนะ ที่มันทุกคนราคาที่มันตายตัวแล้วก็ซื้ออย่างกันเพราะว่าขี้เกียจไปถามมิแต่ว่าของนี้เราใช้ไม่ใช้ไหมเออใช้มีประโยชน์เราก็ซื้อมาทุกวันนี้คนไทยสังเกตไหมเวลาไปเที่ยวไหนนะพ่อครูยี่สิบปีเป็นทาสานไม่ได้ไปไหนนะพอฟ้าเปิดตัวพ่อครูถึงเวลาแล้วแก้วไปเขาชวนไปอินเดียทุกปีพว่อ ก, วกูไม่มีเห็นว่าไม่รู้จะไปทําไมแต่ปีนั้นบอกแก้วไปก็มีโอกาสไปทัวร์ด้วย เอาละถั่วอินเดียเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรจะซื้อนอะที่นี้มาถั่วจีนนะคนไทยเราเนี่ยคนจีนเขาเรียกว่าเสี่ยมหล่อตือเข้าใจไหมหมูไทยมาแล้วนักช้อปปิ้งผู้ยิ่งใหญ่ <c oughs> ไปที่ไหนก็จอดจอดเพราะกูก็นั่งรออยู่บนรถพอซื้อมาซื้อมาก็นั่งดูท ร, รมะซื้อแล้วก็แล้วไงยังอุตสามาคุยกัน มันบอกสิบเหรียญฉันต่อได้แปดเหรียญเห็นไหมอู้ฉันซื้อได้ห้าเหรียญอันนี้ช็อกเลยเห็นไหมรู้แล้วมันทุกไหมอู้ยโง่แล้วเห็นไหมทีแรกดีใจเลยมันบอกสิบต่อได้แปดเห็นไหมคนนี้อู้ยฉันต่อได้ห้าแทนที่จะไปเที่ยวมีความสุขกันมาทุกข์อีกแล้วบนตลอดทางเลยกับไอ้เงินสามเหรียญ มันกำไรหรือขาดทุนเนี่ยชีวิตเราขาดทุนนะเห็นไก่อนนี้ไปเที่ยวไหนก็อุ้ยมันถูกถูกถูกถก็ซื้อหิวมาหมดก็แจกเขาเป็นทาระนะถูกที่สุดคือไม่ต้องซือ้อไม่ต้องเสียเงินนะถูกมากๆเลยเห็นไหมตอนนี้อะไรก็ถูกเราถือเนี่ยคนไทยเนี่ยช้อปปิ้งเก่งที่สุดในโลกก็ซื้อก็ซื้อไปสิก็ซือซอซซ้อให้มันเอนจอย ไปทุกทำไมกับไอ้เงินมันต่างกันสองสามเหรียญ <c oughs> เหรอมาชอบอย่างนี้นะคิดว่าเราอุย้ยเราเป็นจอมยุทธต่อเก่งคือความสุขไม่มีคนหมอคนหนึ่งพวกกูเคยไปเห็นไปซื้อของแม่ค้าตลาดะต่อเอาต่อเอาที่นี้ตัวเองขับรถเบนซ์มาที่นี่พวกกูถามว่าคุณหมอซื้อรถเบนซ์ทำไมเขาบอกโอ้โหเป็นความฝันตั้งแต่เรียนเลยละ่ะอยากเป็นหมอก็อุตสาหสอบเรียนหมอ ก็ตุส่าทํางา น, นก็ซื้อรถเบนผูค้ครูถามว่าแล้วซื้อทําไมแกบอกว่ามันดีเดี๋ยวนี้ตัดเลยนะอย่าออกอากาศนะเดี๋ยวรถเบนก็ฟ้องพู้ครูเอาว่ารถเก๋งยี่ห้อหนึ่งที่มันแพงที่สุดอ่ะทุกคนชอบมากแกบอกมันทนพู้ครูไม่ทนหรอกรถคุณหมอนี่ไปเปลี่ยนรถกระบะได้ทั้งสิบนะคันนะแกบอกมันทนมันไม่ทนนะ แกบอกมันปลอดภัยไงมันปลอดภัยคุณหมอลองวิ่งไปชนต้นไม้ดูใหญ่ๆแรงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่รถยี่ห้อแพงๆ แ, แล้วเราจะไม่ตายแกบอกมันดีนะ่ะราคามันดีเพราะมันแพงไงเมื่อกี้เห็นคุณหมอซื้อกับแม่ค้าคุณหมอต่อเอาต่อเอาคุณหมอก็ไม่ชอบแพงไงเพราะครูบอกไม่ดีเพราะมันแพงไงมันแพงมันไม่ดี พ่อครูบอกเด็ก ๆ, ๆ, ๆไปเอาคัตเตอร์มาหน่อยหนึ่งแต่กก็ฟังเอามาทําไมไปจีดรถคุณหมอให้พ่อครูดูหน่อยหนึ่งเฮ้ยอย่านะอย่านะถ้าจีดแล้วรถรถมันเจ็บไหมไม่เจ็บใครเจ็บคุณหมอเจ็บเห็นไหมมันไม่ดีมันทําให้คุณหมอเจ็บคนเรากิเลสชอบอะไรแล้วก็บอกว่ามันดีถ้ารวยแล้วก็ดีแล้วแปลคําว่าบางคนมาต่อว่าพ่อครูแรงมากนะคนมาลองของที่นีเยอะ ทำดีได้ดีไม่มีหรอกทำชั่วได้ดีมีโถมไปพูดแรงมากนะพวกคุณว่าดียังไงเห็นไหมมันโกงบ้านโกงเมืองมันรวยคําว่ารวยไม่ได้แปลว่าดีนะรวยแล้วไม่ได้แปลว่าสุขด้วยรวยแปลว่ามีเยอะไม่ได้แปลว่าดีไม่ได้แปลว่าสุขจนแปลว่าไม่มีไม่ได้แปลว่าทุกข์ไม่ได้แปลว่าชั่วเราไปแปลผิดเองว่ารวยแล้วคือดี ถ้าจำเป็นต้องรวยก็รวยเถอะอย่าไปทุกข์กับมันถ้าจำเป็นต้องจนก็จนเถอะอย่าไปทุกข์กับมันมันเป็นแค่เกมเป็นแค่สมมุติแต่เราปฏิเสธสมมตินี้ไม่ได้ยุคนี้ถ้าไม่มีเงินก็อยู่ไม่ได้นะทุกอย่างโดยเฉพาะท่านที่อยู่กรุงเทพนะวันไหนไม่มีตังค์ไม่รู้จะไปกินข้าวที่ไหนนะถ้าคนออกนอกบ้านแนละ้วน่ะมันก็มันก็มีปัญหาจริงๆแต่ถ้าไม่อยู่มาอยู่ศูนย์นี่ไม่ต้องมีเงินก็อยู่ได้เนาะ วันไหนลืมเราตังมาไม่เป็นไรที่นี่อยู่ได้นะเราชี้ให้ดูเห็นไหมพอเราหลงอะไรเราบอกว่ามั น, มนดีเราไปตีเขาว่าดีผิดดีผิดนะสมัยก่อนพ่อคูอยู่บนพ่อกรูแบบประสุดๆและไปเล่นการเมืองกับเขาเป็นสอจองเภอเมืองดังเป็นผู้เลยตอนนั้นเราเป็นหนุ่มโสดไงข้ามไหนนอนนั่นความสุกเกอร์ช่วยเหลือชาวบ้านมันเป็นสุกจริงๆมันเป็นนิสัยพ่อู ไปนอนค้างคืนกินต้มไก่เขามีปัญหาก็วิ่งเข้ามาหาผู้ว่าอะไรแก้ปัญหาให้เขาเป็นแค่สามปีนะด็อกเอร์ประสิทธินะ์นรงเดชตอนนั้นก็มาชวนให้ไปเล่นผู้แทนเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรอกก็ไปตามกระแสก็ลาออกจากสจก็ไปสมัครผู้แทนอำเภอเมืองพวกกูนิตมาที่หนึ่งทุกตำบลเลยไม่ได้ใช้เงินแต่อำเภอวาลินคุณประสิทธิ์คุมอำเภอตาลสูงคุณสุรศักดิ์เทียมประเสริฐคุมคนละอำเภอนะ ก็เล่นซื้อเสียงกันคนเดียวอะไรนะี่เพราะกูแบกมาที่หนึ่งที่สองสามคนโดยไม่ใช้เงินเพราะอะไรที่เขาบอกว่าความดีสู้เงินไม่ได้นั้นโกหกคนที่พูดนั้นน่ะอาจจะไม่ชั่วแต่ยังไม่ดีพอคุณไม่ได้ทำความดีอะไรคุณบอกว่าความดีสู้เงินไม่ได้คุณอะไรมาพูดคุณอาจจะไม่ชั่วแต่คุณยังไม่ดีนั่นแหละคนอยู่ในเมืองไทยที่เผลอไปเล่นการเมืองถือว่าสุดๆเลยละ่ะ พ่อครูเล่นมาแล้วทำมาหมดทุกอย่างแต่มันไม่ใช่คำตอบนะก็ตอนนั้นพ่อครูเล่นสู้กับใครรู้ไหมอุูบนมีเจ้าพ่อเจ้าพ่อนะไม่พอใจข้าทิ้งเลยนะแล้วก็เป็นมหาเศรษฐีเป็นอดีตและตะมวนตรีบอกว่าดีไหมไม่ไปไหนต้องมีมือปืนเจ็คนกล้านั่งเครื่องบินไหมไม่กล้า นั่งรถไฟต้องเหมาตู้ชั้นหนึ่งทั้งหมดเลยแล้วก็มือปืนล้อมหน้าล้อมหนังเข้าห้องน้ําต้องมีปืนคุมถามว่ามันมั่นคงไหมมันดีไหมเป็นพวกวาดพะวะและสุดท้ายก็ข่าวออกมาถูกลูกชายตัวเองฆ่าทิ้งคงเป็นคนจัดฉากละเก็บทั้งพ่อทั้งลูกมันดีไหมมันเป็นกรรมนะแต่ไม่ใช่เราปฏิเสธความรวย มันก็สมมุติแต่ยุคนี้เนี่ยเราต้องดำรงอยู่ได้ด้วยเขาเอาเงินเป็นตัวกลางนะมันเป็นตัวแลกเปลี่ยนเราต้องมีเงินนะแต่อย่าไปหลงมันเป็นที่หนึ่งอย่าให้มันเป็นพระเจ้าในชีวิตเราเราต้องทำทุกอย่างเพื่อชีวิตเงินเนี่ยเปรียบเสมือนช้อนซองเรามีเราก็ใช้ไม่มีเราก็ใช้มือกินข้าวได้มันไม่ใช่พระเจ้า เงินเนี่เป็นทรัพย์ภายนอกยุคนี้เรายิ่งไปติดเงินเท่าไหร่ยิ่งต้องใช้เงินเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นทรัพย์ภายในเอาไว้กินอนาคตชาติเพราะมันมีจริงนะถ้าผู้ฉลาดนะต้องเข้าใจการทำบุญทำทานนะั้นเนี่ยอานิสงส์ของการเจริญวิปัสสนาเพราะมันขัดโดยตรงเลยที่เราขัดเกาจิต ให้โปร่งใสเราใครทำบรมอะไรเนี่ยมันทั้งเอาโลภโกรธหลงออกมาหมดเลยที่โจรเมื่อกี้นี่ที่บอกมาหาพระครูบอกพระครูบอกนั่งสมาธิเพราะมันเบี่ยงไปเบี่ยงมาบังเอินจิตมันหลุดเข้าไปในจิตเดิมเนี่ยส่วนที่เป็นบุญกุศลมันก็มีมันไม่มีมันไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้เป็นเสด็จพอตอนนั้นผุดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็เกิดสํานึกพอมันเลิกเป็นโจรเลยเนี่ยอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมเพราะอาชีพเขาเนี่ยต้อง พ้นค่าวันหนึ่งค่าหนึ่งคนเพื่อไปเลี้ยงลูกเมียเดือนหนึ่งสามสิบคนปีหนึ่งสามหกสิบห้าคนชาตินี้มันต้องฆ่ากันกี่คนเพราะมันหยุดปุ๊บคนไม่ตายจากน้ำมือมันกี่คนได้นิศสนมากไหมมากเหลือเกินแล้วมันก็ตัดวัฏสงสารแทนที่ไปรับกรรมยาวนานขึ้นมันก็สั้นลงเรื่องนี้มีจริงนะถ้าพ่อครูไม่เจอด้วยตัวพ่อครูเองเนี่ย พูดยังไงก็ไม่มีทางเชื่อได้มันเป็นไปได้ยังไงการทําความดีคุณต้องหาเงินต้องขยันเนี่ยต้องเอาเงินตรงนี้เนี่ยไปทําบุญมันจะเป็นความดีงไงเราไม่เห็นเรื่องจิตวิญญาณนะวิปัสสนาบรารมีเนี่ยได้อา น, นิสงส์มากที่สุดเพราะมันทำให้เราเกิดปัญญาเรารู้ว่าต้นเหตุที่ทาให้เราทุกข์มันมีเชื้อตัวนี้เราก็เอามันออกเห็นไหม ตอนนี้ไม่ใช่ฝึกสมาธิไปกดมันไว้เหมือนสปริงแล้ไปกดมันไว้พอเผลอก็เด้งผางอีกเห็นไหมวิปัสสนาแล้วไปเห็นให้ต้นเหตุคือมันมีสปริงสปริงหน้าที่มันก็คือทําให้มันมีอิมแพคหนแล้วก็ทําลายสปริงซะมันก็เป็นเสร็จเป็นเส้นเหล็กเส้นหนึ่งเนี่ยต่อไปไม่ต้องกดเลยมันสงบตลอดเวลานี่คือวิปัสสนาทําให้เรารู้ปัญญาเราไปแก้ที่ต้นเหตุของมัน เป้าหมายสูงสุดจึงต้องไม่ใช่สตินะตอนนี้ไปที่ไหนก็ปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิจเจริญสตินั่งกดมันไว้เหมือนหินทับหญ้าฝนตกลงมาเอาหินออกหญ้าก็ขึ้นอีกเพราะเชื้อมันยังอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าหินทับหญ้านะวิปัสสนามันรู้ว่าเฮ้ยมันมีเชื้อเอาหินออกขุดลากถอนโคลน ฝนตกมากี่ครั้งก็ไม่ขึ้นอีกเพราะมันหมดในวิปัสสนาต้องให้เรารู้แจ้งว่าต้นเหตุและทุกคนเนี่ยสร้างเหตุมาไม่เหมือนกันเราจะเอาหลักสูตรเดียวให้ทุกคนทำเหมือนกันหมดเลยเนะี่ยหนึ่งมันช้าสองไปกบไปกั้นบังศักยภาพของจิตเขาเพราะครูบาอาจารย์บางทีท่านก็ฝึกมาตลอดชีวิตท่านก็ดีระดับหนึ่งแต่ยังไม่ทะลุป้องท่านก็ติด อุบายวิธีที่ฝึกมาท่านก็หวังดีมาใหม่ใช่ไหก็เอาวิชานี้ยัดเยียดให้ทุกคนเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าถึงเตือนว่าอย่าพึ่งเชื่อที่คนพูดเป็นอาจารย์เราถ้าอาจารย์คนนั้นนั้นยังไม่แตกฉานเนี่ยท่านไม่ได้เจตนาหลอกเรานะท่านก็เอาประสบการณ์ที่ท่านมีเนี่ยมาถ่ายทอดให้เราแต่บังเอิญประสบการณ์ของท่านยังไม่ทะลุป้องยังติดบ่วงอยู่ และอย่าพึ่งเชื่อที่ทำตามๆกันมาผู้เจ้าบอกไว้หมดแล้วตอนนี้ไม่ใช่เราชอบก๊อปปี้เรามักง่ายเขาบอกยังไงเราก็ทำไปอย่างนั้นนะวิปัสสนาต้องเกิดจากการเห็นแจ้งของจิตไม่ได้เกิดจากการนึกคิดหรือไปนั่งคิดวิเคราะห์พิจารณาเนะเราต้องโดดเข้าไปไปเสพอารมณ์นั้นเลย เหมือนเมื่อกี้พระครูบอกว่าภรรยาของผู้ภาคษาเป็นคนแก่อยูเก้าสิบเราไปนั่งดูเฉยๆโอ้ยหลังโก่งๆถือไม่เท้าคกงทุกนะถามว่าทุกกี่กิโลช่างจงวัดได้ไหมก็ไม่ได้แต่ถ้าเราย้อนอดีตไปเป็นคนแก่แเราเสพอารมณ์คนแก่นั่นเลยนั่นคือวิปัสสนาไม่ต้องขานภาษาอธิบายว่าคนแก่มันทุกนะก็เข้าใจไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตไม่รู้ นี่แหละผู้เจ้าบอต้องเข้าไปในจิตในจิตไปเสพธรรมในธรรมถ้าเราไม่เข้าไปในจิตในจิตเนี่เราจะไม่มีโอกาสเสพธรรมในธรรมก็คือธรรมลมเป็นเวทนาในอดีตที่บันทึกไว้เป็นสัญญานั่นคือประสบการณ์จริงๆของเรานั่นคือตัวปัญญาไม่ต้องไปเรียนรู้กับใครเรียนรู้กับอาจารย์เราเนี่ยอาจารย์เราคือจิตเดิมเรานี่แหละผู้เจ้าถึงบอกว่าต้องเจริญ เริ่มจากอนุสติพิจารณากายกายในกายเวทนาแล้วก็ในเวทนาจิตในจิต น, นั่นคือสเต็ปบายสเต็ปแต่ต้องเข้าไปในจิตในจิตให้ได้เราจึงจะเสพธรรมในธรรมได้แต่ตอนนี้เราเข้าไปไหมไม่สามสี่สิบปีก็จเจริญสมถะอยู่ตรงนั้นแหละแล้วบอกว่าเป็นมหาสติปัฏฐานเราเข้าใจผิดมันเป็นแค่อนุสติสติเล็กๆ สติเล็กๆเราเออกมาใช้ชิ้ประจำวันเราจริงแล้วไม่ต้องฝึกนะใช้ยิ่งใช้ยิ่งชำนาญเหมือนเราขี่จักรยานเนี่ยขาก็ถีบไปมือก็จับแฮนไปตาก็มองข้างหน้าสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมยิ่งทาก็ยิ่งชำนาญแต่ถ้าอนุสติเนี่ยสติไปว่าอะไรละลึกรู้รู้ตัวทั่วพร้อมเพื่อไม่ให้เราพลาดแต่ถ้าไม่ถึงขั้นมหาสติเนี่ยเราจะละลึกรู้อดีตไม่ได้ มหาสติคือสติใหญ่ต้องรวมพลังระหว่างกายเวทนาจิตธรรมรวมเป็นหนึ่งเดียวในขณะจิตเดียวมันถึงจะมีพลังละลึกรู้อดีตได้ไม่ใช่ไปหลงอดีตนะไปเรียนรู้กับมันนั่นแหละของแท้ของแท้เพราะเราผ่านมาจิตมันผ่านด้วยตัวเขาเองและแต่ละคนเนี่ยอย่าไปเรียนแบบคนอื่นนะของใครของมัน มันเป็นนานาจิตตังมันไม่มีสูตรสําเร็จว่าสูตรนี้ยทุกคนปฏิบัติแล้วจะบรรลุได้พร้อมกันไม่ใช่ทุกวันนี้เราไปสอนแบบนั้นน่ะทุกคนเป็นหุ่นดนเหมือนกันหมดทําเหมือนเหมือนกันทีละสเต็ปทีละขัน้นมันก็ได้ความสงบชั่วครู่แต่มันไม่ไปไหนหลวงพ่อชาพูดเองเตือนว่ามัวแต่ถือสิง น, นั่งสมาธิมันจะไปไหนสมัยก่อนพ่อครูสงสัยตกใจแต่บังเอิญเราศรัทธาท่านเราไม่แยงเราก็มานั่งพีจไหนเอ๊ะ ถือศีลนั่งสมาธิมันก็ดีแล้วเนี่ยทำไมหลวงพ่อบอกมันจะไปไหนท่านไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีมันก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละมันไม่ไปไหนมันก้าวเข้าไปสู่วิปัสสนาไม่ได้มันก็มีแค่สมาธิสติโจรก็มีสมาธิสตินะถ้าโจรไม่มีมันพ้นไม่สำเร็จนะเขาต้องใช้สติสมาธิมากกว่าพวกเราอีกเพราะมันต้องขโมยทำแต่โจรเขาไม่มีศีลไม่มีปัญญา เป้าหมายสูงสุดที่เราจเจริญวิปัสนาเนี่ยไม่ใช่สตินะศีล ส, สมาธิปัญญาสติอยู่ไหนไม่ได้พูดหน่อยหนึ่งทานศีลภาวนานไม่มีสติสติอยู่ในมรรคมีองแปดนะเป็นหนึ่งในเครื่องมือแปดอย่างเนี่ยเป็นเครื่องมือเดินทางของจิตเป้าหมายสูงสุดในพุทธศาสนาทําให้คนเนี่ยเกิดปัญญาผลสูงสุดคือ น, นิพพาน ถ้าจิตมีปัญญาแล้วมันก็รู้ต้นสายปลายเหตุว่าเราทุกข์เพราะอะไรมันก็ทําลายตรงนั้นนะแล้วตัวสุดท้ายของมันไม่ใช่กิเลสด้วยนะในอริยสัจสี่นี่ผู้เจ้าบอกดับทุกดับที่ตันหาทุกสมุทัยนิโรธมักตัวสมุทัยคือตัวตันหานะทำให้เราเกิดอุปทานอุปทานท้างไได้เกิดทุกข์แต่ตัวตันหามันเกิดขึ้นจากเรามีกิเลสนั่นแหละแต่ไม่ใช่ดับที่กิเลส ต้องมีสติมีปัญญารู้เท่าทันกิเลสกิเลสก็พัฒนาไปสู่ตันหาไม่ได้อุปทานก็ไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดนะแต่ถ้าเราทําได้แค่นั้นเราก็เป็นคนไม่ทุกข์แต่ยังไม่พ้นทุกข์ยังต้องเรียนไหตายเกิดอยู่นะแค่สตินะเพราะอัตตาเรายังอยู่สังขารของจิตมันสร้างอัตตาเนะี่ยเขาเรียกว่าสังขารของจิตนั้นมันยังอยู่ มันต้องเรียนไหวไตเกิดถ้าจิตปัจเจริญยร์ปรัสนาแล้วโอเคมันรู้เท่าทันกิเลสแล้วกิเลสก็ทําให้เราเกิดตัญหาไม่ได้อุปทานไม่เกิดเราก็ไม่ทุกข์แต่มันก็ยังเห็นอีกให้ต้นเหตุคือเรามีอัตตาเรามีที่ยึดเกาะของกิเลสเดี๋ยวมันก็เราเบิดอัตตาตัวนั้นทิง้งคําว่าเราเบิดเราเบิดอะที่แรกก็กูงงให้มันเกิดแล้วลักษณ ะ, ะมันเหมือนระเบิดเราล้มหายลงไปเลยสว่างสงบสะอาด เราไปสัมผัสสิ่งนั้นทีนี้ตอนนั้นไม่รู้ว่ามันระเบิดอะไรแต่มันว่างไปหมดเดินไปเหมือนคนห่อได้มันไม่มีน้ำหนักคำว่าสบายสบายเบาเบาโล่งโลงมันชั่งกิโลไม่ได้สูบบุหรี่มา20กว่าปีสูบไม่ได้เลยวินาทีที่นั่ง3ชั่วโมงนั้นบุหรี่ยังอยู่ในกระเป๋า ยังโกหกลูกค้ามาเพราะคูมีร้านอาหารนะว่าร้านเราไม่ใส่ผงชูรสไปตรวจยืนในห้องครัวไม่มีแม้แต่เม็ดหนึ่งแต่มันผสมมากับน้ําจิ้มเรียบร้อยแล้วตอนนั้นก็เราเนี่ยเราก็เข้าใจมันเป็นเทคนิคนงแต่ไอตัวผิดศีลตรงนั้นอ่ะถ้าเราไม่มีเจตนาร้ายเนี่ยนะพวกครูก็รีวิวแล้วหรืกว่าระเบิดอะไรอะไรระเบิดเราก็ไปเห็นแล้ว เออเราเป็นคนไม่มีศีลเลยทำไมมันระเบิดได้พอเข้าไปดูแล้วเนี่ยตั้งแต่เกิดนะพ่อกรูนิสัยแบบว่านักเลงเนี่ยเรียกว่าพี่พ่อกูไม่ใช่นักเลงเนะักเลงเรียกว่าพี่ตัวเล็กๆนี่ใจใหญ่ขอมาให้เลยไอตัวทานเรานี่แรงมากไอตัวนี้มันคํายันเราอยู่หุกไม่งั้นเนี่ยไม่มีทางเลยนะเพราะว่าศีลห้าข้อเนี่ย ไม่เคยถือเลยสักข้อมันไม่ใช่เรื่องใหญ่พระอาหารหันต์จี้โกงเนี่เมาทุกวันผิดศีลตัวเมาแต่จิตไม่เมาเดี๋ยไปดูแค่เรื่องลักภายนอกนะต้องดูเจตนาข้างในมันเป็นเทคนิคอุบายวิธีท่านมอมไม่สมองซีกซ้ายเนี่ยให้มันเบลอให้ความคิดมันอ่อนแอตัวยิ่งเมาเท่าไหร่ญาณรู้ของจิตยิ่งแสดงตัวแต่อย่าเรียนแบบ นะหลายคนเรียนแบบนี้เมาพวกขาดสติเลยแต่หลายท่านในที่นี้นะหลายดวงจิตเนี่ยเคยศึกษาวิชาอรหันต์จีกงมาแล้วที่สูนี่มีหมดนะนะคุณเกียวเวลาแกแรงๆตอนก็เป็นอรหาาันต์จีกงแกปีนขึ้นไปข้างบนเน่ยไปนั่งรูปประคำอยู่นนเนี่ยนั้นเดินไปผ่านหน้าใครก่อกเล่ามีแต่ลมนะเดี๋ยวเมากันไปหมดเมากันเป็นทีมเลยนะ วิชาจี้โกงแสดงไปหมดเลยนะที่นี่มีหมดนะเพียแต่ว่าเบี่ยงทิ้งก็คือไม่ใช่ปฏิเสธอย่าไปติดมันมันเป็นวิชาหนึ่งจิตเราเนี่ยฝึกมาหลายวิชามากมันไม่ได้หายไปไหนสักวันหนึ่งมันเกิดวิกฤตแล้วเนี่ยเดี๋ยวจิตมันเอามาใช้เองแต่อย่าตั้งใจไปศึกษาค้นคว้าไปหลงมันเมื่อไหร่นะอันนั้นแพ ไม่ต้องห่วงนะเรายิ่งใหญ่มาแล้วหลายชาติเราจึงต้องมาเกิดอีกนะเรามาปฏิบัติเพื่อเลิกยิ่งใหญ่สักทีนึงวันที่พระเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลนั้นเป็นวันที่พระพุทธองค์ไม่เหลืออะไรเลยความเป็นเจ้าชายสิทธะถูกระเบิดทิ้งไปแล้วพระองค์อยู่ในเสื้อผ้าชุดเดียวไม่เหลืออะไรเลยเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะพระองค์เข้าไปสู่ความว่าง ความว่างใหญ่ที่สุดในจั ก, กรวาลหลายๆจั ก, กรวาลใหญ่จนล้อมลวงไม่ได้พผ้าทิตย์ทุกดวงดาวทุกๆหลายๆจั ก, กรวาลเนี่ยลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่บนความว่างเมื่อจิตเราคืนสู่ความว่างแล้วเนะี่ยมันใหญ่ขนาดนั้นใหญ่กว่ามหาสมุทรทะเลนะเหมือนน้ําเนี่ยนะถามว่าแหล่งน้ําใหญ่ที่สุดอยู่ที่ไหนไม่ใช่ทะเลมหาสมุทรแม่น้ํานะอยู่บนอากาศ ในอากาศนั้นมีออกซิเจนในออกซิเจนนั้นมีน้ำในน้ำนั้นมีจุดลินทรีย์มีวิญญาณที่เราลิงก์กันได้ทุกวันนี้ที่เขาบอกเด็ดดอกไม้ดอกเดียวเนี่ยกระทบไปทั้งจักรวาล น, น่ะก็สาเหตุนี้มันสื่อกันได้หมดถ้าเราฝึกจิตแล้วเราจะเข้าใจธรรมชาติโอเคนะเดี๋ยวจะใช้เวลามากเกินไปเมื่อกี้ พ, พ่อครูตอบสองคถามรวมกัน มีกคำถามหนึ่งจริงๆแล้วตอบหมดแล้วทั้งสามเนาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องโกหกลูกค้าถ้าไม่พูดโกหก ก็จะไม่ได้กำไรจึงให้รู้สึกผิดเพราะตนก็ปฏิบัติธรรมอยู่การโกหกมันขัดกับหลักคำสอนของศาสนาถ้าไม่โกหกก็ไม่ได้ที่ไม่ได้นี้ตำรวจจับไหมเราคิดตัวเองว่ามันไม่ได้มันจะเสียผลประโยชน์นะจริงๆแล้วนี่ไม่ต้องโกหกแต่ไม่ต้องพูดความจริง โดยมารยาทแล้วคนนั้นทะลุมารยาทเขาก็ต้องไม่ถามเราเราค้าเพื่อกำไรอยู่แล้วพอใจก็ซื้อไม่พอใจก็ไม่ต้องซื้อพูดความจริงแล้วคนเขาจะรู้ว่าเราเป็นคนจริงบพื่นเขาอยากจะสมาคมกับเรายิ่งลูกค้าเยอะนะมีมีหลายคนพฤติกรรมเปลี่ยนแล้วเนี่ยอย่างคุณหมอคนนึงเปิดคลินิกสมัยก่อนแกโหดมากนะเช้าชั่วโมงหนึ่งก็เอาเสร็จแล้ว ขับรถไปโรงพยาบาลตอนนั้นเป็นรองผูดด้อำนวยการมันก็ไปบริหารโรงพยาบาลเที่ยงกินข้าวในรถไปเปิดคลินิกชั่วโมงนึงก็เอาแล้วออกไปบริหารโรงพยาบาลห้ามงเย็นก็ไปเปิดคลินิกถึงสามทุมไม่ให้รวยรู้ไปไม่มีเวลาใช้เงินแล้วก็ปล่อยกู้ใครไม่จ่ายฟ้องยึดทรัพย์โหดมากเพราะมาเวี่ยงปฏิบัติเวี่ยงทิ้งแล้วปุ๊บนี่ใจดีมากเลยไม่มีเงินไม่เก็บ ลูกค้าเยอะกว่าเก่าแล้วตัวเองก็ไม่เครียดด้วยมันมันมันมันคนละเรื่องนะอย่าไปกลัวนะอันนั้นเราไปคิดเอาเองเรากลัวมากเกินไปไม่ต้องนะคำว่าพูดตรงไปตรงมาเนี่ยความจริงบางอย่างต้องไม่พูดนะพูดแล้วมันไม่มีประโยชน์มันเกิดขัดแย้งนั่นความจริงนั้นเป็นโทษความจริงบางอย่างไม่ต้องพูด ถ้าพูดแล้วต้องเกิดประโยชน์มันกลายเป็นกุศลถ้าพูดแล้วทําให้คนขัดแย้งกันมันกลายเป็นกรรมเห็นไหมความจริงไม่ใช่ว่าฉันพูดความฉันนี่ความจริงนั่นแหละความจริงบางทีไม่ต้องพูด <c oughs> <c oughs> พูดแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่เกิดโทษนั่นมันกลายเป็นวัจีกรรมถึงจะเป็นความจริงก็ช่าง น, นะก็น่าจะหมดแล้วนะน้ อ, น อ, นอเราจะได้ปฏิบัตินะปฏิบัติเยอะ คิดน้อยๆนะพูดน้อยๆสร้างกรรมน้อยๆหน่อยหนึ่งนะคำว่าน้อยๆเนี่ยก็คือแค่พอดีพูดกันแค่รู้เรื่องอย่าพัฒนาจนพูดกันจนทะเลาะกันอันนั้นมันมันมันมันเกินมันไม่พอดีนะพูดแค่พอดีถ้าจะเป็นต้องคิดก็คิดแค่พอดีทำเหมือนกันทำแค่พอดีพอดีของแต่ละท่านต้องไม่เหมือนกัน ช้างขี่ไม่ต้องไปขี่ตามช้างมันตัวใหญ่ไม่เท่ากันเอาพอดีเราพอดีเราถ้าเกิดพลาดพังขึ้นมาก็ไม่เจ็บตัวเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่ต้องไปแบกมาหามเท่าไหร่นะแต่ต้องทุกคนต้องทําต้องขยันขันแข็งก็เพียงพอดิ้นลนขวัญขวายมากไปอยู่เย็นเป็นสุขก็เพียงพอมั่งมีสีสุขมากไปมันเป็นการปรุงแต่งมันอันลิมิต